ผู้มีประภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามได้ทูลถามพระผู้มีประภาคว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้มาว่าพระสมณะโคโดมทรงรู้จักทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมหรือพระผู้มีประภาคตรัสย้อนถามว่ามานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร บ้านนลกาลคามก็ใกล้แค่นี้บ้านนลกาลคามก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี้เลยมิใช่หรืออย่างนั้นท่าน พ, พระโคดมบ้านนลกาลคามก็อยู่ใกล้แค่นี้บ้านนลกาลคามก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี้เลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุรุษผู้เจริญเติบโตในบ้านนลกาลคามนี้ ออกจากบ้านนลกาลคามไปในขณะนั้นถูกถามถึงทางไปบ้านนลกาลคามจะต้องมีความชักช้าหรืออึกอักไหมไม่ชักช้าไม่อึกอักเลยท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนูนเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนลกาลคามนั่นเองต้องรู้จักทางของบ้านนลกาลคามทุกแห่งเป็นอย่างดี การที่บุรุษเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนลกาละคามนั้นถูกถามถึงทางไปบ้านนลการะคามจะไม่ตอบชักช้าหรืออึกอักเมื่อตถาคตถูกถามถึงโพรมโลกหรือข้อปฏิบัติให้ถึงโพรมโลกก็ไม่ตอบชักช้าหรืออึกอักเช่นเดียวกันเรารู้จากโพรมโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงโพรมโลกของพรามทั้งหลายทั้งยังรู้วิธีที่คนปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าถึงพรหมโลกด้วยสุภมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้มาว่าพระสมณะโคโดมทรงแสดงทางเพื่อเป็นสหายกับพรหมขอโอกาสขอท่านพระโคโดมโปรดทรง แ, ดงแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าทางไปพรหมโลกมานพ ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตาไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เมื่อพิกษุนั้นเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์อย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่พิกษุทําแล้วกรรมนั้นจกไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นคนแข็งแรงเป่าสังพึงให้คนรู้ตลอดทิศ ท, ทั้งสี่ได้โดยไม่ยากเลยแม้ฉั้นใดเมื่อพิกษุนั้นเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์อย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่พิกษุทําแล้ว กรรมนั้นจกไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปราวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหลา่า ในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์อย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทําแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพ คนแข็งแรงเบาสังพึงให้คนรู้ตลอดที่ทั้งสี่ได้โดยไม่ยากแม้ชั้นใดเมื่อภิกษุนนั้นเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์อย่างนี้แล้วกรรมใดเป็นประมาณที่ภิกษุทํทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นโรปาวจรนั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งประธรรมและพระสงค์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจ มีหน้าที่ที่จะต้องทําอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพท่านจงกําหนดเวลาอันสมควรณนะบัดนี้เถิดครั้งนั้นสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพระรามชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทําประทักษิณแล้วจากไปสมัยนั้นพระรามชื่อชานุสโสนิ ออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวปลอดตั้งแต่ยังวันได้เห็นสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามเดินมาแต่ไกลจึงได้ถามว่าท่านพารัตวาชะท่านมาจากไหนแต่ยังวันเทียวสุพมานพผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมชานุโสนิพรามถามว่า ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพารัตวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้เท่าทันพระปรัญญาอัเฉียบแหลมของพระสมณโคดมเป็นแน่สุพมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครและเป็นอะไรเล่าจึงจักรู้เท่าทันพระปรัญญาอัเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดจะพึงรู้เท่าทันพระปรัญญาเฉียบแหลมของพระสมณโคดม ผู้นั้นก็พึงเป็นเช่นพระสมณะโคดมเป็นแน่ชานุโสนิพรามถามว่าได้ฟังว่าท่านพระรัตวาชะสันเสริญพระสมณะโคดมด้วยการสันเสริญอย่างยิ่งสุพมานกตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครเป็นอะไรเล่าจึงจักสันเสริญพระสมณะโคดมท่านพระสมณะโคดมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงสรรเสริญแล้วสรรเสริญอีกอันหนึ่งทำห้าประการนี้ที่พราหม์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จพระสมณโคโดมตรัสว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุพมานกผู้เป็นบุตรของโตเทยพรามณ์กล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนิพราหมจึงลงจากรถ อันเทียมด้วยม้าขาวปลอดแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาบของพระเจ้าปเปเสนทิโกศลพระเจ้าปเปเสนทิโกสลทรงได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แลสุภสูตรที่เกจบ สิสังคารวะสูตรว่าด้วยมานพชื่อสังคารวะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเจ้าริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุหมหญ่สมัยนั้นนางพระมณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยู่ในบ้านชื่อปัญจละกัปปะเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ หากนางพลั้งพลาดแล้วจะเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยนั้นมานอบชื่อสังคาระอาศัยอยู่ในบ้านปัจจละกับปะ จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสต์เกตุพสาสต์พร้อมอักษรศาสตร์และประวัติศาสต์เข้าใจตัวบทและวยากณ์ชำนาญโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าววาจายอย่างนี้เขาได้ฟังแล้วจึงกล่าวกับนางธนัญชานีพราหมณีว่านางธนัญชานีพราหมณีไม่เป็นมงคลเลย นางทนัญชานีพรามณีเป็นคนฉิบหายเมื่อพรามทั้งหลายผู้ทรงไตรเพศมีอยู่เออนางไพรไปกล่าวสรรเสริญคุณของสมณะหัวโลนทำไมนางทนัญชานีพรามณีกล่าวว่าพ่อหน้ามนเธอยังไม่รู้จกักศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นถ้าเธอรู้จกักศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นดี เธอจะไม่สำคัญพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นว่าควรถูกด่าควรถูกปริาพากเลยสังฆารวมานกกล่าวว่านางผู้เจริญถ้าเช่นนั้นพระสมณะมาถึงบ้านปั จ, จละกับปะเมื่อใดพึงบอกฉันเมื่อนั้นนางธนัญชานีพราหมณีรับคำแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าเรียกไปในแคว้นโกศลตามลาดับ เสด็จถึงบ้านปัจจะกับปะได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหม์ชาวบ้านโตเทยะในบ้านปัจจลกัปะนางทานัญชานีพรามณีได้ฟังว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จ ม, มาถึงบ้านปัจจะกับปะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหม์ชาวบ้านโตเทยะใกล้บ้านปัจฉกัปะ ลำดับนั้นนางจึงเข้าไปหาสังคารวะมานบถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่อหน้ามนพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสด็จมาถึงบ้านปัจจะกับปะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพราหม์ชาวบ้านโตเทยะใกล้บ้านปัจจะกับปะเธอจงกำหนดเวลาอันสมควรณนะบัดนี้เถิด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 ย่อมปติญญาอาทิพรหมจันทร์ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปติญญาอาทิพรหมจันทร์บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นท่านพระโคโดมจัดอยู่ในพวกไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพารัถวาชะเรากล่าวความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้มีบรารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันแม้จะปฏิญญาอาธิพรมจ ร, ร์ได้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้ฟังตามกันมาเพราะการฟังตามกันมานั้นจึงเป็นผู้มีบรารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอาธิพรมจร์เหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงไตรเพศอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้มีบรารมีขั้นสุดท้าย เพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอาธิพรหมจันทร์เพราะเพียงแต่ความเชื่ออย่างเดียวเปรียบเหมือนพรามทั้งหลายผู้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญามีสมณะพรามพวกหนึ่งรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนมีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอาธิพรหมจันทร์ในสมณะพรามเหล่านั้น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 ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนมีบารมีขั้นสุดท้ายเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันจึงปฏิญญาอาธิพรมจันทร์บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราก็คนหนึ่ง วประวัติตอนบัมเพญสมาบัตในสำนัก阿าระดาบทพรธรวาชะก่อนการตรัสรู้เรายังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นทางปลอดปโปรง่งการที่เราอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน ดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดรุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกโบสเป็นบนรรพชิตในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกสาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้พหนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวด นุ่งหมผากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นจริงกว่าได้เข้าไปหาล า, าระดาวทกาลามโครแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่เรากล่าวอย่างนี้ 阿าระดาบทกลามาโครจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวัะและเทระวัะได้ ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอรารัดาบทกาลมโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อรารัดาบทกาลมโคตยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอรารัดาบทกาลมโคตแล้วถามว่า ท่านกาลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าเขาพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไร่เมื่อเราถามอย่างนี้แล้วอล า, าระดาบทกาลามโคจึงประกาศอากินจัญญาญตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่านิใช่แต่อล า, าระดาบทกาลามโคเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิ มิใช่แต่阿าระดาบทกาลมะโคเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่阿าระาดาบทกาลมะโคประกาศว่าเขาพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็บรรลุธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหา阿าระดาบทกาลมะโคแล้วถามว่า ท่านกาลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออลาระดาบทตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกาลามะ แม้ข้าพเจ้าก็ทาให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อลาระดาวดกการมโคดกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ท่านทำให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่เขาพเจ้าก็ประกาศว่าเขาพเจ้าทำให้แจ้งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่เขาพเจ้าทราบทำใดท่านก็ทราบทำนั้นท่านทราบทำใดเขาพเจ้าก็ทราบทำนั้นเป็นอันว่าเขาพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเขาพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้พระรัตวาชะอลารดาบทกาลามโคทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าทมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอาคินจัญญายตนะสมาบัตเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อนายทำนั้นจึงลาจากไปในสำนักอุโทกดาบท พารัตวาชะเรานั้นสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะเข้าไปเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจันท ร, ร์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วอุทกดาบทรามบุตรจึงก ล, กล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อน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 อุทกดาบทรามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อุทกดาบทรามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราถามอย่างนี้แล้วอุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศในวาสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญา ทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบทประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบทแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่า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 โอทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทําให้แจ้งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทําให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่า ข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ภารัวาชะอุทกดาบทรามบุตร ทั้งที่เป็นเพื่อนพรมมารีของเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้น เราไม่พอใจเบื่อนายทํานั้นจึงลาจากไปทรงบําเพนเพียนพารัตวาชะเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคตโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่า ภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่คาสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร